พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหลำดับที่เจดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส2องกันยายน2556ห้าหหมีชื่อเรื่องว่าต้องสู้กับเวทนาดูในที่สงบ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 ธรรมชาติของมันแต่ว่าสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมานะจะเป็นเสียงอะไรก็ตามนะอันนี้รู้สึกว่าใจของเราจะไปจดจ่อกับจิงนั้นตูแล้วมันเหมือนเขาไม่สงบเลยนะจิงเป็นเสียงคนเป็นเสียงคนอันนั้นแปลว่าเป็นอันตรายต่อสมาธิอย่างร้ายแรงทีเดียวเลยนะ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 ในการอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องอยู่ตัวเองมีแต่คุยโทรศัพท์มันลำคาญคนอื่นเขาสิ่งมูนี่เหล่านี้เราต้องได้คิดทั้งหมดพอาเราไปอยู่ด้วยกันมันลำคาญกันก็รู้อยู่แล้วว่าเขามาภาวน า, าเขามาอะไรมารวัด ต, ตัวเองมาคุยโทรศัพท์อย่างนั้นใช่ไหมทามาคุยโทรศัพท์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 เราทําตัวไม่ถูกขวางนะขวางขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางครูบาอาจารย์ไปอยู่นัดสถานที่ใดขวางพราะขวางเสร็จแล้วเขาข อ, ขอหาวิธีกําจัดแล้วตัวนี้มันขวางเขานะแอบเขาหาวิธีกานแกล้งอะไรหาวิธีกําจัดเราอะไรโดยมากถ้ากำจัดไม่ออกนะเขาก็ต้องฟ้องสํานักงานฟ้องครูบาอาจารย์บอกให้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 ต่ต้องไล่ออกจากวัดวาศาสนาไปแล้วเพราะอหรเพราะตัวเองไม่รู้จักการวางตัวเพราะนั่นขอให้พวกเราไปนสถานที่ใดอยู่กับสำนักงานใดอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดเราต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักเจ้ารู้จักนายรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักครูบาอาจารย์ไวยวุฒิค น, นวุฒิปฏิบัติตนให้ถูกต้องกาลเทศ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 ถ้าว่าคนโง่สัอย่างสื่อบื้อไปที่ไหนสื่อบื้อไม่รู้จักคิดไม่รู้จักอ่านเพือเอยังปาสาากินอีกต่างหาดไปที่ไหนขวางเขาหมดเลยเพราะเราไม่รู้จักการสัดานที่กาละเทศะบุคคลสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดในฟังทางนี้ทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการวางตัว การไปอยู่นสถานที่ใดให้รู้จักการวางตัวถ้ารู้จักวางการวางตววัวแล้วการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จทุร่วงไปในในระดับหนึ่งฮะถ้าเราไม่รู้จักวางตัวแล้วมีแต่อริมีแต่ศัตรูมีแต่คนไม่พอใจกันแกล้งแล้วความประสบสำเร็จ จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าว่าเราไม่ทำตนไม่ดีอันนี้สรุปแล้วกว็คือมันเป็นกฎระเบียบวินัยทั้งนั้นแหละอันนี้แหละคือวินัยกฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบหรือวิจิริยามารยาทคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันเข้ากันได้หมด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 เป็นปูญย่าตายาย mm. เป็นใครๆให้รู้จักสถานะคือการวางตัวแล้วราบพื่นร่มเย็นเป็นจุก ด, ด้วยการทั้งนั้นแหละนะแล้วก็พร้อมการวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดข้ามเรือนสิบเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่ง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 เรามันจะเห็นผลงอกเงยได้ยังไงเพราะเหตุใรเพราะเราทำไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ว่างงานชิ้นไหนละ่ะให้พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าปลูกยางอย่างนี้นก็ทำไม่กี่ต้นลำทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้อไรายหญ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจะเป็นต้นเป็นลำได้ยังไง การทำนาก็เหมือนกันทำไร่ทำนาถ้าเราไม่ดูแลมีแต่หญ้าเต็มไปหมดแล้วจะได้เก็บเกี่ยวได้อย่างไรไม่ว่าแขนงไหนทำการจัการงานเมืองก็เหมือนกันเรียนหนังสือก็ขี้เกียจเรียนพอเสร็จแล้วก็ไปทำการทำงานกินแต่แรงหมูเวลาไปทำงานกับไปสซส์สายเวลาเลิกก็เลิกก่อนเพื่อน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 ให้เป็นอย่างนั้นเหรอหม้วนลิงร้องเพลงอย่างนั้นเหรอลิงแสดงละครอย่างนั้นเราควรจะจริงจังกับตนเองเวลานั่งต้องพยายามนั่งให้นานต้องมีสัจจะข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิให้ได้สามชั่วโมงวันนี้ก็กตั้งนาฬิกาหรือไม่ก็นั้นพยายามนั่งให้นานที่สุด แต่มีนาฬิกาปลุกก็ตั้งนาฬิกาปลุกถ้าไม่ปลุก เ, เราจะไม่ลุกนี่แหละใหม่ๆต้องเอาอย่างนั้นทำบังคับแ้วก่อนต่อไปเราใช้เวลานา น, านเข้า น, นั่นแหละเห็นผลเราก็จะพยายามนั่งได้นานพอนั่งได้นานรู้เห็นผ ล, ลนั่นแหละเราจึงจะรู้ได้ว่าการจริงจังและจริงใจเนี่ยมันเกิดผลอย่างไร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 อแต่เอามาันจนมันเหลือหายเจ็บหายปวดมันมันมีนะอะนั่งไปนั่งไปสู้กับเวทนามันปวดน้องปวดด้วยิมันจะปวดถึงขั้นไหนถึงมันตั้งถึงตายเหรอมไม่เห็นคนนั่งสมาธิตายหรอกมีแต่ปว่วยเจ็บไข้ได้ป่วยตายนะ่ะนั่งสมาธิตายเอาสิข้าเห็นเคยข้าเคยได้ยินไหมข้าคนหนึ่งเระจะทดลองเลยสิให้ข้าพรเจ้าตายในนั่งสมาทานั่งสมาธิดูสิะ ถ้าใครก็ตามนะถ้าใครตายในท่านั่งสมาธิหลวงพ่ออินจะโอ้โหจะประกาศแล้วประกาศอีกออถ้าหาว่าจะอยากจะได้อะไรจะได้หีบลงสวยงามขนาดไหนเหมือนกันอตแล้วก็นี่แหละผลแห่งการภาวนาในช่วงนั้นนะ อ, อ, อย่างน้อยกูนะสวรรค์ชั้นพรหมล่ะไม่ใช่ธรรมดาล่ะ ถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ในนี้มีจะ ม, มันพอมันออกเข้าจิงไม่ตะหงายหลังผึ่งลงเสีหมอนนอนเกาะอย่าโดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นที่จะเอาซิสู่โดยซิทดลองดูซิอย่างวันนี้แหละวันพระเนี่ยข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิตลอดคืนโดยซิ แต่เวลาเราไปนั่งเราก็ไปนั่งอยู่ในที่ปลอดภยัยเขานั่งอยู่ในกุฏิมีมุ้งลวดใช่แหมกัปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอะไรจากนั้นถ้าคนนั่งอยู่ใกล้กับหน้าต่างให้ลมพัดจักหนอยเพื่อให้มันไม่ให้มันงกง่วงไม่ต้องหาอะไรเพียงนั่นนงภาวนานะี่นั่นแหละมันจะมีอะไรเพราะ กุติของเราก็ใส่กงใส่กรเรียบร้อยหมดแล้วความปลอดภัยมีอยู่แล้วแล้วก็ผ้าห่มปูให้หนาขึ้นมาสักน้อยจากนั้นกขึ้นไปนั่งคัดสมาธิปนมมือตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจให้มั่นคงข้าพระเจ้าจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงวันนี้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 ดูทีนี่เวลามันปวดนี่ยดูเลยทีนี่ดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ดูใจดูใจแล้วก็ดูกายดูกายแล้วก็ดูใจดูใจต่คุณดูเวทนาดูจิตนี่แหละดูเลยสิผลที่สุดนั้นน่ะมันแยกออกจากกายเลยทีนี่ใจของเราแยกออกจากกายเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายปล่อยวางกายเลยใจของเราก็สงบเลยทีนี่หายไปเลยกายเลยไม่เก็บไม่ปวดเลย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 แต่เมื่อเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมานั่งทำมานั่งให้ดูลมหายใจเข้าออกหายใจพุทธเจ้าพุทให้เจ้าออกโท บ, บังคับให้สติบังคับให้จิตของเราอยู่กับพุทธโทนี่แหละหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเอาจิงจังจริงจจังๆอย่างนั้นแล้วพวกเราจะเห็นผลความสงบนี่เราจะรู้ได้ด้วยตนเอง กายใจเป็นยังไงใจกายเป็นยังไง NO? ความสงบเป็นยังไงในเมื่อเราได้รับความสงบเป็นพื้นฐานแลน้วจะไหนจิตใจของเราสงบมีความสุขเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจะหอใจของเราดูละเห็นกายพอเห็นกายอะเห็นใจละไรจะไหนมันสงบแลนเห็นได้ะนะจะไหนพอมันสงบเข้าไปแล้วมันรู้ได้ลกายกับใจใจกับกายคนละอันกัน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 ธาตุจีก็คือสิ่งไหนที่เป็นของเหลวอย่างเลือดใช่ไเป็นธาตุน้ําธาตุลมขลมหายใจเข้าออกเลยธาตุลมธาตุดินก็คือพวกของแข็งกระดูกพวกผมนะอันนี้เป็นประเภทธาตุดินธาตุไฟก็คือทํำไฟให้อบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยอันนี้คือธาตุไฟร่างกายของเราไปอยู่ธาตุสีดินน้ําลมไฟอยู่ใน ตัว น, นี้ใช่ไหมใจให้ใจรู้ใจให้ใจเห็นให้ใจเข้าใจในในตัวเองให้ให้ใจเข้าใจในกายในเมื่อเห็นกายทุกส่วนแล้วจะนี้ก็ดูใจใจไปลุ่มหลงลุ่มหล ง, ล ง, ล ง, ลงทาไมใจใจไปกระเพื่มทาไมใจดูใจพะสติปัญญาของเราเข้มแข็งจะไหนลักษณะที่ว่าสติ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 ใจเป็นอิสระใจไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวยังไ ม, ไ, มไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องหน่วงเหนี่ยวใจไม่มีเครื่องหน่วงเหนี่ยวใจเป็นอิสระใจเป็นธรรมธาตุนะพระรกรอยพวกเราทุกๆุกท่านนะการภาวนาะการปฏิบัติไปแนวแถวตามนี้ละให้พวกเราดูแต่สรุปแล้วเกิดเบือเบ้องต้นก็ให้จริงจังและจริงใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรื่ยกการนั่งนั่งขอให้นั่ง ตัง้งใจแต่ที่ฐานถ้าจริงจังอย่าให้เผลอด้วยความจริงจังและจริงใจงเวลาเดินก็เดินอย่าให้เผลออยู่กับพุทธโธกับเท้าของเราแต่ก็ต้องทําให้นา น, นการทําให้นานนั่นอ่ะอันนั้นก็คือเป็นผลเป็นผลสําหรับพวกเราจะได้ได้รับจะได้รับผลในการประพฤติปฏิบัติของตนเองเอาต่อไปเปิด MP3